อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุภกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโวภกวาตีตีในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทชนาในวันวีสาขบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดสง่์องค์คศธาบารมี ที่บรรดาท่านิสราทานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจําปักซึ่งเป็นวันสําคัญเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาอื่นหนึ่งเป็นวันประสูตรคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแต่การที่สองเป็นวันมรุองิเุณสัมมาสัมโพธิญาณและกาการที่สามเป็นวันนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วย วันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาที่คนหลายจังหวัดมาโดยกันตั้งใจมาปรดับรับรถพุทธพเทศนาและสวดเคราะห์พิคําว่าเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทมาจากคาว่าบาปบาปในชาติก่อนที่เราทํามาแล้วมันสนองในชาติหลังเราเรียกคำว่บบาเคราะห์ตอนนี้ไปก็จะขอแสดงประธรนพิธีนาคว า, า, ามเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า วันนี้จะตัดธรรมะที่ฟังญาติออกไปใร้ดาญาิโยมพุทธบริสุทธิ์หลายฟังได้เพียงง่ายๆความเป็นมาขององค์สมเด็จพระร่มประสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความนั้นว่าท่้เกิดวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาท่านเกิดแล้วก็วันมรรลุอริยสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วันวิสาขบูชาคือกลาวเนหกเหมือนกัน วันจะนิพพานขององค์สเมเด็จพระพักวันบรมศาสตร์สนดาสมมาสัมพุทธเจ้าคนิพพานบริลสาขาบูชาคือวันกลางฤดูเหมือนกั น, กนแต่ตอนนี้จะเทศเฉพาะตอนท้ายของเรื่องทพรความเป็นมาจริงๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราจะฟังกันตั้งหลายเดือนยังจะจบก็มาฟังกันตอนจบผมก็ขอปรารถว่าก่อนหน้าที่จะนิพพานสามเดือน เวลานั้นองค์สมเด็จพระพักกวรรณบรมรัสสัจฉาสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าทรงประบดเสด็จดประทับจับยังอยู่ที่ปาวารเจดีตอนนั้นปรากฏ ว, ว่าแตงโกมาราพัชไม่อยู่แล้วองค์สมเด็จพระจนาสีไปธุระที่อื่นเข้ามาอยู่มาตอนหลังนี่พระพุทธเจ้าทรงป่วยหนักอาการมากมากขึ้นแตงโกมาราพัชก็ไม่อยู่ เขาจะแป่านะว่าในตอนหลังนี้ในเมื่อกองค์ปผลมาเข้าบมากๆเข้าตอนหลังก็ไม่เทศก็สูตรถ้าสูตรก็ไม่เทศพระชาดกก็ไม่เทศเทศใครไปฟังเทศเทศจะก็สินสมาธิปัญญาพราศินสมาธิปัญญานี่เป็นตัวบรรลุมรรคผลอย่างน้อยที่สุดจะบรรดาเป็นพุทธศาสนชนผู้ฟัง เข้าใจในสินสมาธิปัญญาอย่างย่อคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าการร่างกายของคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือรา่างกายของเรามันต้องตายนี่แน่ในการที่สองมีความมีสมาธิตั้งใจมัน่นเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอริยสงฆ์ในการที่สามมีสินบริสุทธิ์ตั้งใจมั่นในสินพียงแค่ในปัญญาเดิมบ ร, ริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงตัสว่าคนเหล่านี้เป็นปะโสดาบันตายจากความเป็นคนนั้นขึ้นที่เ่าบาทอภิสมนั้ิหมดไม่สามารถใช้ผลได้ <c oughs> องสมเด็จพระจอมใจมีความประสงค์อย่างนี้เป็นเทศเฉพาะศีลสมาธิปัญญาร่างกายขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเครดหนักชีตหนักลงไปทุกที่ขอมลงไปทุกวัน ปรากฏว่าในการนั้นพระธนโอมาราพัฒนึกถึงองค์สมเด็จพระพักต ร, ร, รกวันบรมัสสันดาสมาาาัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นห่วงใหญ่จึงไปที่ปาวาลเจดีเห็นองค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมัสสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงซีดหนักป่วยหนักแต่วก่อนที่เดโกมาราพัฒจะไปขึ้นมาได้แยกงมุทไว้สกันลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรพุทรมัสสร์สันดาทรงคิดว่าเวลาที่เราก็มีอายุถึง8ปดสิบปีแล้วควรแก่กานิพานแต่ว่าตามหนงังสือท้งกล่าวว่ามีพระยาไยามาเข้าประกาศคุณขอรนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนิพาน์ว่าเวลาพระสมณโคดมเมื่อวันที่จะออก อ, อกสุภวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ เราก็ยับยั้งไว้แล้วครั้งหนึ่งท่านก็ไม่ยอมต่อมาเมื่อบรรลุอวิเศษสมาธิปุตติญาณแล้วเราขอให้ท่านานิพพานท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าบริสัทธ์เสียงท่านยังไม่ครบถ้วนเพียงใดก็ดีท่านจะไม่ยอมนิพพานเวลานี้บริสัทธ์เสีคือวิสุวิสุนียุบาสุ บ, บสาจิตาจึงเป็นพระอาเดียเจ้ามีมากบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วควรจะเป็นควรแกการานิพพาน หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชิ ต, ตมารเ ม, มื่อมารไปแล้วสมเด็จพระประทิบแก้วก็ทรงเรียกพระอน์เข้ามานี้ว่ากันตาม ม, มติมัสมโพธนะว่ากันตาม ม, มติมัสมโพธก็เรียกพระอา น, นุเข้ามาแสดงนิมิตว่าอานันทะดูก่อนอา น, นุ์สมมติว่าอานนุ์มีเกวียนเก่าอยู่เล่มหนึ่งมันเก่าข้ามข้ามากซ่อมก็ยาก ใช้ก็ไม่สะดวกเราจะทิ้งเกวีนเก่าเอาเกวียนใหม่ดีหรือว่าเราจะซ่องเกวีนเก่าดีเวลานั้นตามบาลีบอกว่าพระยาบาลเขาดนใจพระ อ, อนุนท่านโดนก็กราบทูลองค์สมเด็จพระทศสกลว่าใช้เกวีนใหม่ดีกว่าเพลียนเกวเก่าเป็นเกวี น, ก น, กนใหม่องค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงไลพ่พระอนุ์ได้ออกไปจากสถานที่หลังจากนั้นองค์สมเด็ดจพระจินสีก็ทรงเป่ง ท ร, ทรงกำหนดการรงของพระองค์ที่เรียกว่ารงอายุสังขารว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามเดือนเพราะนั้นเป็นวันมาฆบูชานับตั้งแต่นี้ไปสามเดือนคือกลางเดือนหกข้างหน้าเราจะนิพพานนี้ระหว่างนางลันงนังคู่เหเมืองกุศินารามหานครเวลาไหนก็เกิดเกิดดิ้นไหวเกิดขึ้นถ้านอนก็แปลกใจ ถ้ามาเฝ้าองค์สมเด็จไวจอมไตรประมาศสันดาษสามเหตุความเป็นมาของไม่ดินไหว <c oughs> องส์สมเด็จไวจอมไตรก็ตัดเรื่องพันดินไหวแปลกประการนองหัวท้ายบอว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงปรองอยงายุสองขานพันธินก็ไหวเหมือนกัน ต้านนรู้ทันกระขอรัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ต่อไปโดยกล่าวว่าว่าปันตีพระขาวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญต้องพูดเดียวขาดตามมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดว่าบุคคลใดมีความคล่องในอิธิบาทสี่คือชันทะวิทยะจิตตาวิมังสา แต่มีผุกคนใดมีความคล่องในเรื่องอธิบาทสี่จะทิฐานิร่างกายนี้อยู่สักกี่กับก็อยู่ได้องค์สมเด็จพระจอมตา ย, ยังมีพระพุทธดีกาว่าอ น, านาัอนทะโดตกดอมณ์เวลาี้มันสายไปแล้วต้าถายเตั้งใจปรงอายุสังขารจะแล้วว่าจะนิพพานในสามเดือนข้างหน้า ถ้าตนก็ถามความเป็นมาของโรคกับเวลาดิพระองค์เป็นโรคอะไรองค์สมเด็จไปจอมใจตรพุศาสตร์ชนดาก็ไม่ตอบอังโกมาดภัทเข้ามาถามพระเจ้าตั้งใจว่าถ้าพระเจ้าบอกโรคกับเราเราจะให้ยาเพียงแค่เม็ดเดียว้โรคโรคพระเจ้ า, าจะหายทันทีแต่เมื่อเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจินสีบุตรมศสจรรค์ก็ไม่ทรงบอก ตอนนี้ท่านโกงมารพักก็มาคิดใหม่ว่าเราจะปรุงยาเึิ่มสเม็ดหนึ่งเพื่อพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถ้าพระพุทธเจ้าฉันยาเม็ดนี้เข้าไปแล้วเราจะทราบทันทีว่าองค์สมเด็จพระจินเาศีเป็นโรคอะไรถ้าจะถวายยาอีกเม็ดเดีย ว, วองค์ฉันยาอีเม็ดเดียวจะหายจากโรคทันที ทันเมื่อปรุงยาพิพสูตร์นั่นแล้วก็เข้าไปสวายองค์สมเด็จพระปฏิติแก้วพเพราะพระเจ้าไม่ทรงรับเข้าไประเคารพทั้งข้า ม, มือทำไมไง่ายมือรับเข้าประเคนรพทั้งสาครั้งพระเจ้าก็ไม่ไงายมือรับให้โกมาระพัดก็เสียใจคิดว่ายาเม็ดนี้เราทําพระองค์สมเด็จไปจอมใจป ร, รมศาศริษดาจะให้คนอื่นกินนี่เป็นการไม่สมควรจะไปวางที่ไหนไม่ก็ไม่เหมาะ ก็เลยไปปล่อยไว้ไปทิ้งอยในบ่อน้ำที่เขาใช้น้ำอาศัยเขใช้กินเขาใช้กินกันบ่อนั้นซึกประมาณเก้าวาราก่อความมหาภัยเกิดขึ้นน้ำจากก้นบ่อคูขึ้นมาเต็มบ่อถึงปากบ่อแล้วตอนหลังพระดีกาอาจารย์มาเขียนตานองเสีองว่าน้ำพุ่งออ้ไปสูงเจ็ดยอดจอดชั่วํำตาลอันนี้เขาเขียนมากเกินไป หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงเทศตรวจบรรดาสารพุทธบริษัทแต่ว่าเวลานั้นบรรดาสารพุทธบริษัททั้งหลายพระมาหา ก, กระสนกับบริวารไม่อยู่คือพระมาหากระสนพาบรรดาลูกน้องอีกห้าร้อยองค์ไปเจ ด, ดงในป่าต่อมาขั้นมาถึงวันเมื่อวันวานวา น, นี้คือวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนหกสมเด็จพระพุมีพระพ่อเจ้าสมเด็จกากับพระอนรวานันท์พระดุกอดอานน์ วันพรุ่งนี้วันนี้เราจะไปเมืองกุสิตรามหานครเราจะไปที่พานระหว่างนางรามนั้งคู่ที่เมือง น, นั้นแล้วก็จะพักไปพักบ้านในจุนก่อนถ้าพระองค์ไหนจะไปกับสถานคดให้ประเดียงสงคําว่าประเดียงคือประกาศให้ประกาศพระสงฆ์ให้ทราบวา่าพระพระองค์ไหนจะไปกับสถานคดให้พระองค์นั้นติดตามไปสถานคดจะไปอีกสักครู่นี้เอง เป็นอันว่าพระอดุลก็ประกาศให้มันดาพระสงฆ์ท่านหลายาทราบถ้าสุดท่านหลายก็พร้อมใจกันไปเวลานั้นมีพระสงฆ์ประมาณสองแสน 2, องค์มาชิ้นน้อยเมื่อสมเด็จพระผู้ทธมีพระพุทเจ้าถึงเวลาก็ทรงนำพระสงฆ์พระเดชเดินมาแต่ความจริงท่านเหาะได้ทูตเจ้านะทูตเจ้าก็ดีพระอรหันต์ที่ได้ตั้งตั้งแต่อภิน ญ, ญาไปก็ดีท่านเหาะได้แต่ว่าองค์สมเด็จประจอมใจไม่ทรงกระทำ การแสแดงปาฏิหาริย์ก็ถือว่าต้องมีความจำเป็นจริงๆ จ, จ, จริงจะทำกันตอนนี้ไม่มีความจะเป็นทช้งกับพาพระเดินจากป่าวารเจดีไปสู่เมืองกรุงศิรนารามหานครเป็นระยะทางร้อยี่สิบโยชน์ไม่ใช่ร้อยยี่สิบกิโลนะร้120ยอยยี่สิบโยชน์เดียกไกลพอสมควรอย่างพวกเราเดินไปไหว พระองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดานำพระไปะได้เพียงแค่หกสิบโยชนก็ทรงหยุดถ้าแต่กับพระอนนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์อนนท์ังปูผ้าสังฆติเวลานิจฉถาคตเหนื่อยเหลือเกินไปไม่ไหวถ้าดังนั้นปูผ้าสมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาก็ทรงประทับนั่งตอนนี้ปรากฏตามพระบาลีว่าพระอนนท์ร้องไห้ ระองค์สเสดไปจมใจเคยเดินมากกว่านี้ไม่เคยบ่นบ่นเลยเขานี้บ่นบ่นเลยเมื่อพระผู้มีพระ้าเจ้าสมาทับแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงมีพระพุทธติการแต่กร ะ, ระว่าอนรรมวานันทะโลกอ น, อนนทนตาถาคตรหายน้ำเหลือเกินอยากจะฉันน้ำตำทานอยู่ใกล้ๆอาดนนย์ยไปจักอาบาดไปจักน้ำมา แเมื่อว่านนท์ได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, าจ้าจัดจัดนั้นก็ดำบากไปเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีลำทานนั้นมันตื้นเกวยียนห้าร้อยเล่มมันผ่านไปพอดีด้านก็คุณเมื่อเห็นว่านนท์เห็นน้ําขุนก็ไม่กล้าตักมากลับมหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่กลาวทูลองค์สมเด็จพระจอใดใจว่าพันตีพระกวาแค่งองค์สเด็จพระผู้มีพระพเาจา้าผู้เจริญ น้ำขุนมากเขาเวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปไม่ไกลไม่กล้าตักมาให้าะเยาว์ขาดสมเด็จพระบระมศาสดาก็ตรัสว่าอ น, นั น, อ น, อ น, นทะดูกอรณนันทาถาเขากระหายน้ำมากน้ำมันยขุนแล้วมันยัใสก็ตามทีไปตักมาเถิดสถานเขาต้องการจะดื่มน้ำพอกลับไปครั้งนี้มันต่างทางมันไกลเดินไปประมาณตั้งสองสามบาทมันก็ถึง พอกลับไปใหม่ปรากฏไปเหตุอัศจรรย์น้ำเห็นว่าขุณเมื่อกี้นี่ขุนคลักมาก <c oughs> กลับใส่เมือนก็นนั้นน้ลฝนน้าแข่งสันสบเปใสดีแล้วท่านนนก็ตักมาถวายองค์สมเด็จพระประัะทิตแก้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงฉันน้ำเสร็จท่านนันก็กราบทูลเหตุมาอัศจรรย์ ว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดเยียวคาวันนี้มีความมาสจรัร์มากเมื่อสักครู่นี้มีเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปน้ําขุนเป็นตมมากแต่ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเพราะว่าต้องการน้ําขุนก็จะฉันใสก็จะฉัน <c oughs> พอข้าพระเจ้ากลับไปเขาใน น, น, น้ำปราโกฏน้ำใสเป็นตาตักแตนเขาก็ใสมืาตาตักแตนเขาใสมากคือความจริงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้องค์สมเด็จพระจอมใจเขกล่าวว่าอ น, นันทาดูกรดัอ น, อนนนคําว่ากรรมมันก็ต้องเป็นกรรมสิ่งที่น้ําใสน้ำขุ่นมันเป็นกรรมเขาถ้ถาคตในฟังอดีะญายโยพุทธบริษัทนะ วันนี้ญาติโยงพระทวีสัทจะบาลสดาะเข้ากันเพงทราบว่าคำว่ากรรมและเคราะห์นี่มันตัวเดียวกันคำว่าเคราะห์ดีหมายถึงกุศลกรรมคำว่าเคราะห์ร้ายหมายถึงอกุศลกรรมพระพุทธเจ้าทรงมีเคราะห์ดีขนาดเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนในห้เป็นว่ากรหั่นได้รู้จักนิพพานได้แต่เศษของกรรมมันก็ยังติดตามพระพุทธเจ้ามาแม้แต่วันจะเขา้านิพพาน นั่นก็คือองค์สมเด็จวิจิบาลกล่าวว่าอนาันทะดูกรณนอ น, น์เหตุน้ำใสน้ำขุ่นนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมของมถาคตคือรว่าในสมัยหนึ่งมรดถาคตยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเวลานั้นก็เป็นลูกชาวนาแล้วก็เป็นชาวนาที่เป็นคนจนเมื่อพ่อแม่ไชนาเสร็จเวลาเที่ยงก็ปล่อยควาย ก็ให้ลูกชายนาควายไปกินน้ำพอไปถึงบอ่อน้ำเล็กๆบอ่อมันเล็กมากขนาดกระโถนมันมีสองบออ่อติดกันเวลานั้นพอไปถึงบอ่อนั้นควายก็ปากจะไปจม บ, บอ่อน้ำที่มันขุ่นน้ำมันขุ่นลูกชายของชาวนานเห็นว่าควายนี่เหนื่อยมากไม่น่าจะกินน้ำขุ่นก็ควรจะ ก, กินน้ำใสจึงดึงสะพาย ย, าย้ายปากควายมาที่บอ่อน้าใส องสำเด็ดไวจอมไต ร, ริรสัตย์สันดากราวว่าอานามทะดวงกอดอนนลกรรมเพียงเท่านี้นะนันตะถาคตทําเพื่อความหวังดีกับควายควายจะกินน้ําขุนนันตะถาเขก็ดึงสะพายแค่ย้ายฝากไปกินน้าใสเพียงแค่นี้กรรมอย่างนี้ติดตามมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ตะถาคตจะได้พันยังตามมาทัน เเหตุให้น้ำขุ่นน้ำใสอันนี้บรรดาญาโยมพระทบายสิทัหลายฟังก็จำไม่ด้นะว่าขึ้นชื่อว่ากรารมความจริงกรรมประเภทนี้เป็นเมตตาพระเจ้าไม่ได้กแกล้งถึงแม้เป็นเด็กก็ไม่ได้กแกล้งเห็นว่าควายเหนื่อยก็น่าจะกินน้ำใสแค่นี้นก็ตามมาทันองค์ความาหลังจากองค์สมเด็จพระพุทธกันประรรมศสันดาลสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อฉันน้ําเสร็จพอหายเหนื่อยก็พาพระ้งฆ์พระเด็กไปเมืองกรศิรารามหานครไปถึงบ้านในจุนเบลานี้พระวดานั้นพระตั้งสองแสนองค์ส่วนใหญ่ก็เป็นพระอรหันต์พอเข้าถึงบ้านไปเข้าเข้าใกล้เขตบ้านนจุนนจุนก็ดิมบนพระเจ้าเข้าบ้านพระเจ้าเขาทรงเสด็ประทับที่บ้านนั้นบ้านเขาใหญ่เขารวยมาก พระสองแสนองค์มีที่พักพอในจุนก็จัดพัตตาหานถวายไอ้อย่างอื่นมันก็หาไม่ทันจะไปทอดแห่หาปลาไปเลี้ยงพระต้อสองแสนองค์มันไม่ไันก็ข้าวหมูผ้าหมูเลี้ยงพระอันนี้อาหารก็ทำหลายอย่างไม่ใช่มีแะเนื้อหมูอย่างเดียวมันมีเนื้ อ, อย่างอื่นอยู่ด้วย เราเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีเนื้อหมูเข้าทําเป็นรถเลิศเป็นพิเศษเพราะต้องการถวายองค์สมเด็จพระรมพ ร, ระโลกกษัติก่อนนิพพานเวลานั้นบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็คิดว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่มีในสงสักัญเท่ากัอาหารของนางโศชาดาเพื่ออาหารของนางโศชาดาท่านถวายพระเจ้าเพื่อบรรลุอภิเศสัมาถัถโพธิญาณ อาหารข้ในจุนนิเทไไหเพื่อวันอิปายของพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็ น, นอันในสง์พิเศษมากตังฟ้าก็ดีเทวดาก็ดีเอาของเทปเข้ามาโปรยปลายเอาเข้ามาผสมกับอาหารที่มีเนื้อสุกร อ, อ่อนพระทั้งหมดไม่เห็นแต่องค์ทศตรชินวรวงทรงเห็นพระพุทธเจ้าเห็นก็ทราบว่า ของทิพย์ทั้งหมดท่านของพระอื่นไม่สามารถจะย่อยได้ถ้าพระอื่นฉันจะตายทั้งหมดเว้นไว้แต่ท่านพระธารโคตองค์เดียวเท่านั้นที่จะย่อยได้ฉะนั้นเมื่อเขาทำพระตาหารเสร็จนี่หมายความนว่าวันนี้นะาวานนี้เดินมาถึงวันนี้เขาถวายพระตาหาร เมื่อเวลาถวายพระเขาทําบัตาหารเสร็จเขาจะนํารัตาหารถวายพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้บอกว่าในจุนไวจุนทะอาหารที่เป็นเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดนี้ถวายะถาคตแต่องค์เดียวอย่าถวายพระอื่นพระองค์อื่นให้ฉันอาหารอย่างอื่นเขาก็ทําตามนั้นไปเขามากมายองค์สมเด็จพระจอมไตรพุศธสัจจดาสมมาธมบพจ้าฉันเสร็จ พราฉันก็เป็นนิดเดียวอาหารทั้งหลายหลายปบ ก, ก็บอกว่าอาหารเช่นเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดห้ามคนอื่นกินให้ไปขุดรุมฝังให้หมดเพราะมันเป็นโทษกับคนกินก็เทวดากับปรมณนางฟ้าเอาอของทิพย์มารวมมาผสมในจุนก็ปฏิบัติตามนั้นหลังจากดันแล้วองค์สมเด็จพระธัณฑิแก่ว ก, ก, ก็ลาในจุน ออกจากบ้านเขาในจุนไปสู่วิหารที่ระหว่างนางรางนักคู่เมืองกรุงศรีนรามหานครเพราะว่าองค์สมเด็จพระจินวรจะนิปานที่นั่นพราอเข้าไปถึงที่นั่นสักความจริงแล้วอ ง, องค์ก็มีมากอยู่แล้วนะมีโรคอยอื่นอาศัยมากพอเข้าไปพักในคู่เดียวก็เริ่มเกิดโรคขนันธิกาพาด ค, าคําว่าขันธิกาพาดคือถ่ายไปโลหิตส ด, สด ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าโลมแดงคือเป็นแผลที่ลำไส้ถ่ายออกมาก็เป็นเลือดชัดๆแต้องค์สมเด็จพระรงสงฆ์สวัสดิิโสภาคก็ไม่ แ, ด, แดงออกเป็นทกเวทนามันปวดเลือดเลอเกินปวดก็ปวดท่างก็ทนในที่สุดท่านก็ต้องนอนลุกไม่ขึ้นแล้ว นอนในวิาหารระหว่างนั่งรำแม่คู่เวลาดังก็ปรากฏว่ามีพระปฏิบัติอยู่เทวดาเขาก็มามองดูพระพุทธเจา้าพระเอิบเ้าด้านนั่งบางหน้าพระพุทธเจา้าเทวดาเขาบนถ้าะอาด้านนั่งบางหน้าพระเจ้าเราเห็นไม่ถนัดองค์สมเด็จพระสงค์สัสดิ์อิศวรพระก็บอกเภาอนั้นก็ขยกกับลงไปชนิดหนึ่งให้พ้นจากหน้าแต่ฐาคตไปหตั้งตรงกลางตัวพระเทวดาเขาต้องการ หลังจากนั้นมาก็มีปริพายชกทนท่านหนึ่งต้องการจะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระถามว่ามาธุระอะไรก็ตอบว่าอยากจะถามปัญหาพระจก็บอกว่าอย่าถามเลยเพราะว่าเวลาที่ผู้เจ้าทรงประชวรหนักนี่คนมันก็แปลกเหมือนกันนะขณ า, าที่ป่วยหนักก็อย่าจะถามปัญหา แต่ว่าองค์สัจจะพระสัมมาสัมพุทเจ้าได้ยินข้าวกระบอกปล่อยเข้ามาเถอะที่ตถาคตต้องมาเมืองกุสิตารามหาณกรต้องทรมานตัวครั้งนี้ก็เพราะต้องการส่งพราะลูกคนสุดท้ายว่าคนคนนี้เมื่าตถาคตนี้ผ่านไปแล้วใครเทศให้ฟังก็ไม่มีผลต้ององค์สัจจพระสัจพจนองค์เดียวเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็จะถามปัญหาพระเจ้ากระบอกว่าอย่าถามปัญหาเลยฟังเทศก็แล้วกัน แล้วองค์สมเด็จพระกไวยก็ทรงเทศเดือกขันห้าอย่างย่อยย่อว่าการที่จะตัดทุกข์ได้จริงคือตัดขันห้าคือตัดทูกเบญนาสัญญาขังขันยิยานอย่าสนใจกับมันเกินไปร่างกายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในธรรมกลางมีกา ร, รสลายตัวในสุดถ้าเรายังยึดถือร่างกายต่อไปยังเวียนว่ายตายเกิดใน ว, วัฏสงสารเราก็จะไม่พ้นทุกข์ ถ้าต้องการพอนทกไ์วางเฉยในร่างกายมันแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแคเพียงแค่นี้พระองค์สมเด็จพระจินจสีเทศจบเข้าฟังเทศแล้วเข้าปฏิบัติประเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตกวาก็ตัสถามหาพระอา น, นุน เวลาท่านพระอนุ์ไปยืนร้องไห้ที่นั่นรถที่นั่น้าต่างก็อสลักหน้าต่างเดินร้องไห้อยู่องค์สมเด็จพระรมมังคูไม่เห็นพระอนุนก็มีพุทธกาจักถามว่าเวลานี้พระอานุนไปไหนพระก็บอกว่าก็โดนไปยืนร้องไห้ข้างประตูพระเจ้าการนั่ข้างนาต่างเพราะพระเจ้าจัดเรียกให้เขามาหาแล้วองค์สมเด็จพระรัมย์มาพระเจ้าตรถามว่าอาจารท้ดูก่อนอานุนคือร้องไห้ทาไม ข้ามันก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจบอกว่าเวลานี้ข้าพรธเจ้ายังเป็นเสขะบุคคลอยู่นั่นหมายความว่ายังต้องศึกษาคือยังไม่เป็นพระโสดาบันและก็เวลานี้องสมเด็จพระกัพกวันบริบาลศาสนานผ่านเสียจแล้วต่อไปใครจะเป็นครูสอนองค์ข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึ ง, จงตรัสว่าอ น, นันทาดูก่อนอ น, น์ มตฐาคตที่ผ่านไปแล้วคําสอนที่สอนไว้แล้วทั้งหมดแต่าคากตมันไม่มีการปิดบังอะไรที่ควรจะรู้ก็สอนหมดทุกอย่างคําสอนมตถาก็จะเป็นาศาสดาสอนถือคําว่ า, าศาสดาแปลว่าครูว่าธรรมะวินัยทั้งหมดที่สอนไว้แล้วทั้งหมดให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ทรงบัญญัติว่าอานันทะดูก่อนอนนเวลานี้เป็นวักนกลางเดือนหกแต่คืนวัน ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดรุ้งขึ้นจะเป็นวันสิบห้าค่ำการเดืนแปดจะข้าวเป็นสาตาหมากระสบจะทำปฐ ม, มสังขยายดาคืนนั้นอานน์จะบรรลุอรรถตําปเป็นพระอา ญ, ญาบุคคลขั้นพระปิเสวิายานแล้วต่อไปถ้าใครได้ฟังเทศจากอานนลเขาจะไม่มีความเบือ่อไม่มีความหน่ายจะไม่เบือ่อไม่อยากให้เลิกเทศ เมื่อพระพุทธเจ้าตัดแบบกันแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ส่งเข้าฌานสมาบัติเพราะเป็นเวลาใกล้อายุนการเข้าฌานสมาบัติจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของพาระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าตาเป็นของปกติแต่คงเถืถ่อการสงายคือไม่พูดกับใครเวลานั้นการเข้าฌานธรรมดาแ ต, พต่พระพุทธวิสัตถิ์หลายพระพุทธเจ้าดันอนตายนะไม่ใช่นั่งตาย คือคระที่มีความสำคัญไม่จําเป็นต้องนั่งเข้าสมาธิตายเสมอไปมันจะได้รา่างกายร่างกายบัญหยาวันนั่งไหวก็ไหวนั่งไหวไหวม่นก็นอนพระพุทธเจ้าทรงนอนแต่แขงขวาจิตใจจากอนาปานุสติกกรรมฐานอย่างอื่นไม่ต้องทำพระอนาปานุสติกกรรมฐานนี่เป็นกรรมานนับความรู้สึกทางทุกขเวทนา เมื่อจิตอยู่ในฌานพระทั้งหมดก็ไม่ทราบาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหรือย่างขณะที่จิตอยู่ในฌานในบรรดาแดนพุทธวิษัทลมหายใจมันเบามากถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าหายใจแต่ว่าเวลานั้นพระที่ตั้งสองแสนองค์บรรดาแดนพุทธวิษัทธ์นั้นลายแต่พระที่มีความเป็นทิพย์สำคัญที่ติดตามกําลังใจพระพุทธเจ้าได้เพียแค่องค์เดียวคือพระอนุรุทธ พระนุษนั่งอยู่ปลายท้าวพระเจ้าเข้าฌานตามถ้าอื่นก็เข้าฌานตามแต่ไม่รู้กำลังใจพระธเจ้าเพราะคุณมีความเป็นทิพน้อยกว่ากันพระนุษตเข้าฌานตามพระนนทก็ย่ำเข้าไปสกิดถามพระนุษตว่เวลานี้พระเจ้ามีผ่านแล้วอยังพระนุษตบอกว่าอย่างเวลานี้พระเจ้าตั้งอยู่ที่ปฐมฌานแล้วเรื่องเกิดไปทุติยฌานคือฌานที่สองปฐมฌานคือฌานที่หนึ่ง ถ้าใบชานสามนอกใบชาในสี่ 3, ถ้าเข้า ร, ารูปรอรูปใบชาคืออรูปใบชาคือชาในห้าหกที่เจ็ดที่แปดว่าเลยไปเมื่อถึงชาใน 8, แปดก็ถอยหลังมายับยังในชาในสี 4, หลังจากทัานองค์สุดเด็ดประหมหาอมนีเวลาสว่างพอดีก็นิพพานเมื่อแต่ว่าก่อนที่จะนิพพานพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระนรินมาบอนันทาโดยก่อนอนนนพพระพุทธเจ้าดยไปขอหายา หมายความคนที่ทําสมพระเจ้าเขจะลําบากแค่บอกบรรดากกบรรกษัตริย์ทั้งหลายว่าการทําสมพระเจ้าให้ใช้โลงทองให้ใช้โลงธรรมดาหรือโลงทองก็ได้ตามใจชอบให้ใช้ลังเหล็กแล้วก็เอาสัมฤทธิพันร่างกายพระเจ้าห้าร้อยชั้นผ้าขาวพันห้าร้อยชั้นแต่หมายความสัมฤทธพันชั้นหนึ่งและผ้าขาวพันอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ห้าร้อยชั้น ถ้าใส่ในรางเหล็กแล้ใส่ในโรงแล้วก็เผานี่เป็นคําสั่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นอันว่าพระเจา้านิพพานแล้วเวลามันเหลือนิดเดียวท่านนั้นไม่ทันก็ไม่ทราบเวลานั้นพระมหาก็ศกไม่อยู่ไปทุ ด, ดงไม่ทราบความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าถึงเวลานึกถึงพระเจา้าเป็นมาเป็นวัน ก็ใกล้จะเป็นวันวิสาขบาูชาก็พาบรรดาพระทั้งหลายที่มาที่ปาวาไะเจดีมาถึงปาวาไะเจดีก็ทราบจากคนที่ท่านบอกว่าองค์สมเด็จพระจินทร์ีจะไปโกศิธราหมหานครปณิการ น, านี้นั่นก็พาพระเดินมาพอใกล้เข้ามาถึงสถานที่นั้นก็ขอเขาเล่าตอนต้นก่อ น, อนเป็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าออขึ้นเมรแล้วเขาจุดไฟเท่าไราก็ไม่ยอมติด ถ้านนยึงถามพระอนุรุตว่าทำไมไฟจะไม่จิตพระนุตบอกว่าเทวดาดังฟ้าผมต้องการคอยพระนมหารกรสพบันมาขอก็มาก่อนอีกหลังจากนั้นเมื่อ็หารกรสพบเข้ามาใกล้ถึงที่ประทักพ ร, ระองค์เสด็จพิจารณวันเวลามันหมดอนะ่ะขอต่ออีกหน่อยเมื่อพระมห า, รมหารกรสพบเข้ามาใกล้จะถึงสถานที่กระจับปริภายชกท่านหนึ่งคือดอกชะบา เวลนานั like ้นเทวดานางฟ้าโปรยปลายมาสูงขนาดแข่งเต็มบริเวณเ้าก็ถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนปณิพาชกกะบอกว่าเวลานี้พระสมณโคดมมีผ่านแล้วที่โูรินดาามานคอน